เคยทำชั่วนะจะทำชั่วได้เร็วกว่าเก่าเคนแต่เดิมไม่เคยโกหกเวลาจะโกหกทีหนึ่งใจสั่นิๆมือเท้าเย็นหน้าแดงแวกวโกหกบ่อยๆเฉยๆนะเฉยๆพูดไปเรื่อย ๆ, ยๆเฉยๆเราชินงั้นกิเลสจะยิ่งมีกำลังกล้าขึ้นกล้าขึ้นงนอย่าไปให้อาหารมันตัดอาหารมันเสียตัดอาหารมันมันมีศีลให้ดีๆ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 เศรษฐีนั่นใจถึงนะดีใจใหญ่โอ้ปลื้มจะได้สร้างอีกแล้วจะได้ถวายวัดกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งละเศรษฐีมันก็ได้ผลดีไปนะแต่นั้นเป็นเปลิดอยู่ช้านานตลอดพุทธันดอนช่วงที่เว้นว่างจากพระพุทธเจ้าตกนรกอยู่นานนะแล้วก็ขึ้นมาเปรดเป็นเปลิดอีกเป็นพุทธันดอนความผิดชั่ววูบให้ผลยาวนะ